เรื่องมีอยู่นะคะว่าคุณปรีชาค่ะเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หวังจะมาขุดทองในกรุงเทพเหมือนใครอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของอคุณปรีชาก็เหมือนกันกันกบคนอื่นๆในกรุงเทพนี่แหละนะคะส่วนใหญ่ที่พักตามห้องเช่าบางทีก็ราคาถูกๆ ก, ก็พออยู่ได้นะคะแล้วก็หนึ่งในหลายทางเลือกของคุณปรีชาก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกอยู่คุณปรีชาเช่าแฟลต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 ก็ไม่ได้รับการฉีกยิ้มกลับมา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 ซึ่งนับว่าไกลจากตลาดมีนบุรีมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าทั้ง3คนเดินออกจากตลาดมีนบุรีเมื่อ4ี่โมงเย็นกว่าจะเดินถึงที่เกิดเหตุและกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็คงเป็นเวลาโผล่เพล็กไคล้ค่าผู้หญิงคนนี้คงจะถูกแทงตายเวลาประมาณ6กโมงเย็นอย่างแน่นอนเรื่องของผู้หญิงถูกแทงตายคนนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านที่นั่นโจษจันกันมาก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 แม้แต่เข้าบ้านแล้วเมื่อเปิดหน้าต่างออกไปดูก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้วนเวียนอยู่ข้างบ้านก็เล่นเอาผู้ชายคนนั้นไม่กล้าออกไปหาปลาคนเดียวอีกเลยอย่าว่าแต่ผีผู้หญิงคนนี้จะหลอกในตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังแม้แต่เวลากลางวันก็ยังมีคนถูกหลอกทั้งทางที่เหตุการณ์นี้ล่วงมาหลายปีจนชาวบ้านลืมเรื่องนี้กันไปหมดแล้ววันหนึ่งในจันค่ะซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลอง3วาฝั่งตะวันตกนะคะได้มาที่ปากคลองซอยที่2ฝั่งตะวันตก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 อยู่ตรงนี้นี่แหละในจันก็งงสิฮะงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีนี้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถึงบ้านแล้วแต่ไม่เห็นมีบ้านมีแต่ท้องนาและต้นไม้ขึ้นอยู่ 2-3 สต้นโดยเฉพาะที่ที่ตรงผู้หญิงคนนั้นถูกแทงตายนี่นาเอ๊ะชักไม่ได้การจะแล้วในจันบอกแต่ตอนนั้นในจันก็ยังไม่สงสัยนะว่าจะเป็นผีคิดว่าผีอะไรมันจะมาหลอกคนกลางวันแสกแสกเป็นไปไม่ได้ผีจะหลอกคนได้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้น